อัปามตกะวิสัชกะสมมติว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุผู้แจกของเล็กน้อยสมัยนั้นสงได้บริขารเล็กๆน้อยๆในเรือนคลังเหลือเฟือ